50 languages. o n g l e i a n Pallikoodattil. r n a m yengu i r u ร i r u m r a Nam. பள்ளி க ் க ூ ட த ் த ி ல ் இருக்கிறோம் เรากําลังเรียนหนังสือ நமக்கு வகுப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது นั่นคือนักเรียน அவர்கள் அந்த பள்ளி மாவமானவிகள் นั่นคือคุณครู அவர் பள்ளி ஆசிரியர் นั่นคือชั้นเรียนอดุโวล์วักปุ๊วปะไรเรากำลังทำอะไรอยู่น้องเย็นน่ะเสยดูคนได้รักกิรมเรากำลังเรียนหนังสือน้องคัตจุ๊กคนด้ยิริิรมเรากาลังเรียนภาษา น้องวอร์มูรีกัดทุบคนด ட อ இ ர ு க ் க ிิโร่ดิฉันเรียนภาษาอังกฤษน้อง อ, อังกิลมูร์กีเรลคุณเรียนภาษาสเปนนีสเปนชิชมொรีกัรกีรอยเขาเรียนภาษาเยอรมันอวันเจอร์แม ร, รอน เราเรียนภาษาฝรั่งเศสนองกัน f r e ม, มพวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียนนิ่งกัน y e l l o w r u ุลลงมั่นการคิดเรียนขลพวกเขาเรียนภาษารัสเซีย아버กัน r u s s i มุ่งมั่นการค การเรียนภาษานั้นน่าสนใจโมดิเกิลกัะพดภูสวารสยมากวุลละเดเราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆน้องมนิเดชกเลยปุรินดุโกลล์วิริมบิคิโรมเราอยากจะพูดกับคนอื่นๆน้องมนิดรกหลุดันเปพสวิริมบิคิโรม